เรื่องท่านพระอาจารย์มั่นโปรดโยมานดาพุทธศักราช2487ผู้เล่ามีอายุ21ปีได้ไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดป่านาคานิมิตบ้านนามน์วิสาขะแล้วท่านพระอาจารย์ปรารภจะไปจำพรรษาที่บ้านโคกพระอาจารย์โกงมาจิระปุญโย ได้สร้างกุติคอยอยู่แล้วการเดินทางไม่มีปัญหาเพราะระยะทางใกล้กิโลเมตรเสร็ๆ เ, เท่านั้นผู้เล่าโชคดีท่านอนุ ญ, ญาตให้ติดตามมาด้วยเหลือเวลาอีก20สิบวันจะเข้าพรรษาผู้เล่าได้รับข่าวร้ายมีพระมาบอกว่ามารดาเสียชีวิตจำลาท่านกลับบ้านเกิดเพื่อความระลึกถึงพระคุณมารดา ไม่มีสมบัติอะไรมีแต่บริคารไม่ได้คิดอะไรเมื่อพบบิดาและได้ดูหลุมศพมารดาก็พอกลับถึงบ้านพักมีกระท่อมพอได้อยู่อาศัยกลางวันไปปา่าช้าเยี่ยมหลุมฝังศพมารดาอุทิศบุญบวชให้เพราะไม่มีวัตถุอื่นจะถวายแก่พระสงฆ์จูนจะเข้าพรรษาก่อนเดินทางกลับ บิดาได้มอบผ้าขาวให้เป็นผ้าทอด้วยมือของแม่เองแม่เสียชีวิตด้วยอาการคล้ายไข้ไทฟอยอย่างแรงเพียงสี่วันก็เสียชีวิตผ้าขาวผืนนี้ก่อนแม่เสียชีวิตหนึ่งวันได้สั่งไว้ว่าหากเป็นอะไรไปให้นาผ้าขาวนี้ไปถวายท่านพระอาจารย์มั่นด้วยพระลูกชายก็อยู่นั่นผู้เราเดินนาผ้าขาวนั้น ไปถวาาท่านพระอาจารย์ทำพระอาบน้ำฝนได้สองผืนท่านสงเคราะห์รับผืนหนึ่งสงเคราะห์ผู้เล่าผืนหนึ่งผู้เล่าเป็นผู้ตัดเย็บย้อมเสร็จวันอธิษฐานพรรษาผ่านไปประมาณสิบวันเห็นจะได้ผู้เล่านอนพักกลางวันฝันเห็นมารดามาปรากฏเต็มร่างแต่ดูท่านยังสาวบอกว่าลูกเอ๋ยแม่ได้เสียชีวิตไปจากเจ้าแล้ว จะไม่ได้พบกันอีกชาตินี้ชาติหน้าพบกันใหม่ดูท่านเป็นสาวสวยมีเสื้อผ้าอาพรหลากสีในฝันนั้นคิดว่าแม่เราน่ารักคิดแค่นั้นก็ตื่นขึ้นทั้งสะอื้นทั้งน้ำตาทั้งเทออกมาได้ยินถึงพระอาจารย์หลอดประโมทิโตท่านเลยมาถามก็บอกไปตามเรื่องพอได้เวลาไปทำข้อวัด ก็ล้างหน้าอดกลั้นเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นวันที่สองไม่ฝันแต่ร้องไห้เหมือนเดิมโธเอ๋ยความรักของแม่กับลูกนี้เป็นความโศกที่เต็มไปด้วยความคิดถึงผสมความสดชื่นจากเมตตากรุณาของพระคุณแม่พอได้เวลาไปทําข้อวัดท่านพระอาจารย์ถามว่าทองคําร้องไห้คิดถึงแม่หรือ เท่า น, นั้นล่ะปีติซาบซ่านไปทั้งตัวท่านว่าไม่มีอะไรตายดอกทาสีเขาแยกกันเขาอยู่ด้วยกันมานานแล้วจิตก็ไม่ตายแม่คุณเลื่อมใสรับศีลและสราณาคมจากครูบาอาจารย์เสาเข้าไปสู่สุคติแล้วสาธุสังฆสรารนังคชามิประสงค์ เป็นที่พึ่งที่ระลึกได้จริงๆเลยสิ้นความสงสัยมาแต่วันนั้นและความโศกก็หายไปตั้งแต่วันนั้นหมายเหตุผู้บันทึกเสียงให้สังเกตนะครับว่าคุณแม่ท่านสาวขึ้นซึ่งตรงกับหนังสือแม่ของต่างชาติหลายเล่มว่า คนทำดีมีบุญตายแล้วจะหนุ่มสาวขึ้นแต่ส่วนมากเวลาจะมาติดต่อกับมนุษย์ที่เคยรู้จักกันอาจปรากฏเป็นร่างคนแก่หรือสภาพในวัยสุดท้ายก่อนตายแต่ร่างจริงจะเป็นหนุ่มสาวให้คิดถึงหลักความจริงนะครับว่าคนทำดีทำบุญไว้มากจนได้ไปเกิดเป็นเทวดาก็ต้องได้ร่างแบบเทวดาที่สดชื่นดูดีแต่การจะกลับมาติดต่อได้นั้นยากมากมีปัจจัยหลายอย่าง ท่านว่าในกรณีที่ไม่มาให้เห็นเลยไม่มาเข้าฝันเลยนั่นอาจแสดงว่าไปดีมากไม่มีห่วงทางโลกแล้วควรจะสบายใจอย่าไปดึงเขากลับมาวุ่นกับทางโลกจิตที่คิดถึงอยากให้มาหาอยากเจออาจทำให้คนที่เรารักไปสุขติไม่ได้และทําร้ายเขามากกว่าที่เราคิดหลายเท่านะครับ